ตอนนไปตั้งใจสมาทานสินวันนี้สินของพวกเราที่รักษามาตั้งแต่วันเข้าพรรษาวันนี้เป็นเกือบจะว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วอีกซักรักษาสินอีกคราวหน้าก็เป็นวันออกพรรษาวันนี้เป็นวันที่ส6ตุลาพุทธศักราช2553วันออกพรรษาคือวันที่23สาม ตุลาพุทธศักราช2553เป็นอันว่าอีกหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสั ป, ปดาห์หนึ่งวันพระเจวันจากนี้ไปก็เป็นวันออกพรรษาวันประวารณาวันนี้เป็นวันสมทานศีลของพวกเราถือว่าเป็นที่หลวงพ่อว่าเป็นโค้งสุดท้ายคือคื อ, คอเกือบจะจบแล้วเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกทท่านให้รักษาศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ที่พวกเราได้ ตั้งคำสัตย์ไว้ในก่อนเข้าพรรษาว่าข้าเพเจ้าจะรักษาศีลห้ารักษาศีลอุโบสถคือรักษาศีลห้าคือนั่นนะรักษาศีลอุโบสถคือรักษาศีลแปดจากนั้นข้าเพเจ้าจะงดอบายยมุกทุกอย่างข้าเพเจ้าจะงดสุรางดปุเรอย่างนี้เป็นตน้นจะไหว้พระทุกวันแต่ขอให้พวกเราตรวจตรา ดูตนเองว่าในพรรษานี้เราได้ขาดตกบกพร่องตรงไหนบ้างนะอันนี้เป็นโคงสุดท้ายแล้วอย่าให้มันขาดตกบกพร่องคนโบราณเขาบอกว่าเรือล่มบาดจอดตะบอดบาดแก่ตะบอดบา ด, ด, ดเมื่ออายุเท่าอายุแก่อันนี้ก็เหมือนกันนั่นแ่ะโคงสุดท้ายเราจะมาขาดในช่วงนี้ไม่ดีฮะ เพราะนั้นขอให้คณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนให้มีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจทําสิ่งไหนให้จริงจังและจริงใจคนนั้นจะประสบความสําเร็จสมความมุม่งมั่นปรารถนาแต่ถ้าว่าพวกเราทําอะไรเลอะเละแหละหาความสัต์คลองจริงไม่ได้เลี้ยวไหลหลอกแกลหลอกตัวเองเป็นวันวันไปอย่างนั้นไม่ถูกนะไม่ได้นะอเราจะหาความเจริญกับตนเองได้ยาก เพราะพวกเราจะเจริญรุ่งเรืองแล้วจะมีความสุขร่มเย็นเป็นสุขได้ต้องมีสัจจะออย่ากโกหกตนเองเยทําทสิ่งไหนให้ทําจริงทําจังไม่ใช่ว่าเราวันนี้เราว่าจะเอาจริงแต่พอวันรุ่งขึ้นน่ยโกหกตนเองแล้วอแต่ว่าคนอื่นโกหกโกรธให้เขานะอโมโหโทโศโกธาให้เขานะแต่ตัวเองโกรธตัวตัวเองโกโกหกตัวเองเนี่ย พออกพอใจอย่างนั้นแหะนีกิเลสภายในใจของเรามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรานะอย่าให้กิเลสโกหกตนเองให้แข็งขันนะสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีให้ตั้งอกตั้งใจทำถ้าตั้งอกตั้งใจทำแล้วนั่นะให้ความร่มเย็นเป็นสุขวันนี้ชนะวันวนหน้าชนะวันต่อไปชนะไปเรื่อยก็เป็นผู้ชนะสิบทิศเลยละทีนีนะต่อ น, นี้ไปตั้งใจสมาทานศีล นะโมตัสสะปะโวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโสทัยจสาทุต่อนนี้ไปตั้งใจฟังหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังเพื่อเป็นแนวความคิดพวกเราท่านทั้งหลายผู้อยู่ทางบ้านหรื อ, รอว่าทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนอยู่กับครอบครัว เป็นขรรษการทุกสาขาอาชีพก็ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องทมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้ค่อยสนใจในทมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนานานทีจึงจะได้ยินเสียงพระพูดหรือบางครั้งพวกเราได้ยินอยากสถานีวิทยุพอได้ยินเสียงพระพูดเท่านั้นหะหมุนไปทางอื่นไปฟังเสียงร้องราทาเพลง แต่ตามไม่จริงหลวงพ่อว่าไม่น่าจะถูกต้องแต่ตามให้จริงก็น่าจะฟังฟังเพราะเสียงธรรมเสียงธรรมะธรรสอนของพระพุทธเจนะ้าเนี่ยพระไม่ใช่ว่าท่านแสดงความคิดเห็นของท่านเองท่านได้นำธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแผ่พวกเราเป็นศาสาหนิกชนเป็นพุทธมามกะเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าควรจะได้ยินได้ฟังได้ศึกษา ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาแล้วพวกเราจะเฉลียวฉลาดขึ้นมานั้นก็คงจะห้ามไม่มีเป็นไปไม่ได้พูดอย่างนั้นได้เพราะนั้นต้องอาศัยการได้ยินหลายครั้งต่อหลายหลนศีลธรรมมีความจำเป็นสำหรับพวกเราอย่างไรถ้าพวกเราขาดศีลธรรมมากๆไม่มีศีลธรรมในประเทศชาติบ้านเมืองเฉลยจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็คือพวกเราจะต้องได้คิด ทาว่าพวกเราขาดศรินธรรมไปที่ไหน อ, อยู่ในชนกลุ่ ม, มไหนก็มีแต่พกพาอาวุธไปที่ไหนมีแต่ความต้มตุนหลอกลวงกันไปที่ไหนมีแต่คดโกงกันอย่างนี้พวกเราคิดดูก็แล้วกันว่าจะหาความสุขความสงบรู้มเพลินเป็นสุขได้อย่างไรอันนั้นคือว่ายกโลกในยุคนั้นขาดศินธรรมถ้าโลกยกุคใดมีศริธรรม โลกยุคนั้นก็มีความร่มเย็นเป็นสุขใครมีทุกข์ก็ช่วยๆกันอย่างสุดๆถ้าว่าใครมีสุขแล้วก็เออต่างคนก็ต่างอยู่แต่ถ้าว่ามีทุกข์ขึ้นมาก็ช่วยกันพิจารณาหาทางออกร่วมกันไม่ทะเลาะเบาะแวงกันมีน้ําใจต่อกันถ้าโลกเป็นอย่างนั้นยุคไหนสมัยไหนมีน้ําใจต่อกันโลกยุคนั้นก็สงบร่มเย็นเป็นสุขนะ อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินเดี๋ยวนี้เรื่องก็กําลังดังทั่วโลกประเทศอะไรซีลงซิรีหลวงพ่ออยู่ในป่าตรงพงไพ่เขาก็มาเลา่าเล่าให้ฟังเป็นเครื่องที่ตื่นเต้นเหมือนกันอ่ะเพราะเหตุไรเพราะคนลงไปหากินคล้ายๆว่าไปหาอยากหากินน่ยอยู่ในพื้นแผ่นดินนไปขุดลงขุดแร่จากนั้นก็หลุมแร่มันปิดปิดรูไะ แล้วก็ไปอยู่ตั้งสองเดือนกว่าไปอยู่ในความมืดเราพวกเราคิดดูก็แล้วกันนะถ้าว่าพวกเราไปอยู่ในห้องมื ด, มดเขาล็อกประตูไว้นะ่ะเพียงวันเดียวเราก็ใจจะขาดแล้วไม่รู้เขาจะกินยังไงเขาจะทายยังไงอยู่ในหลุมนั่นมืดมิดปิดตาไปหมดพวกเราคิดดูสิเนี่ยนะพวกอยู่ข้างนอกเขาก็ไม่ได้นิ่งดูได้กระทั่งปัจเจ้าของประเทศ ประธานาธิบดีของเขาเขาให้ใส่คนให้ความใส่ใจอย่างมากเริงๆน้าใจถ้าชุมชนไหนกลุ่มไหนให้มีมีน้ำใจช่วยเหลือกันเราได้ยินก็พวกเราได้ยินก็ภาคภูมิใจือประทับใจในการกระทําของเขาแต่ถ้าว่าประเทศล่มจมไปแล้วคนสามสิบกว่าคนก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรคนงานอีกต่างหากก็ปล่อยปาละเล ย, เ, ยเมื่อได้ยินไปถึงไหนก็ ใจิตใจพวกเราก็หดผูเอ่หดผู่คล้ายๆว่าวคนในประเทศนั้นไม่มีน้ําใจต่อกันแต่ถ้าว่าประเทศใดยุคสมัยไหนอย่างเมืองไทยของเราก็เหมือนกันใครมีความทุกข์ยากลําบากอย่างไรในหลวงของเราท่านก็ให้ถุงยางซีบไปช่วยเหลือชุมชนปี่น้องประชาชนเนี่ยแหละหลวงพ่อว่าคือมีพ่อมีแม่ในดีอย่างนะแต่มีแต่ลูกแต่เต้าด้วยกันเนี่ยโดยมากก็ อไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่แต่มีพ่อมีแม่อย่างเห็นไหมสี น, น้ำมิเมื่อกี้เนี่ยที่ประเทศไทยของเราประสบคนกระ ย, ยกยกรย่องไปทั่วโลกว่าประเทศไทยมีน้ําใจการช่วยเหลือเจือจานกันเสียบพลันเสียเสียบไวแล้วก็มีน้ําใจอาหารการบริโภคทุ่มเทกันอย่างสุดๆนี่แหละคนมีน้ําใจอยู่ในกลุ่มใดชุมชนใดยุคใดสมัยใดความร่มเยนเป็นสุขก็จะเกิด เพราะคนมีเมตตาต่อกันถายุคไหนสมัยไหนคนขาดเมตตาต่อกันแล้วหาความสงบ พ, พรมเย็นเป็นจุดไม่ได้นะเพราะนั้นน้ำใจมีเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญเพราะนั้นขอให้คณะทายาทโ ย, ยมลูกหลานทั้งหลายทั้งมวล น, นะให้มีน้ำใจต่อกันแล้วก็สิ่งไหนที่มันจะผิดกฎหมายสิ่งไหนที่มันทำไม่ถูกต้องอย่าไปสแสวงหาความสุขของตนเองหาความร่ารวยของตนเอง ในความทุกข์ของคนอื่นเขาเนี่เมื่อคนอื่นเขาทุกข์เราก็ไปได้เงินจากความทุกข์ของเขาจากพ่อจากแม่จากสกุลของเขาอย่างเนี้มันไม่ถูกนะนนั้นเป็ว่าขาดเมตตาขาดน้ำใจทีเขาทีเราถ้าเราไปเจออย่างนั้นเขา้าเราจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าเขาเจอเข้าไปแล้วเขาจะรู้ทุกคนรู้นะเหมือนกับคนตกอยู่ในหลุมนะั่นเดือนกว่านะ่ยไปถามเขาได้สิเขามีความรู้สึกอย่างไง แปลว่าสุดๆว่างั้นแต่หลวงพ่อว่าเน่ะตายแหละไม่ตายแหละเนี่ยนี่ก็เหมือนกันน่ะคนของเราในกลุ่มของเราเนี่ยหลวงพ่อเคยเตือนบอกกล่าวเรื่องยาบ่งยาบ้าคันช่ายาฟินเฮโรอินอยาเอามาขายในท้องถิ่นของเรานี่ยลูกหลานเนี่มันรวยจริงอยู่เรารวยแต่ความเอาความทุกข์ให้คนอื่นเขาถ้ามาเจอกับเราเข้าล่ะพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราติดยาบ้าเข้าไปเนี่ย มันเป็นยังไงเรามีความรู้สึกอย่างไรอันนี้เราต้องเห็นใจคนอื่นเขาถ้าเราไปทำเข้าไปแล้วเสียหายเขาทุกแล้วก็เดือดร้อนในชุมชนของพวกเราแต่ผู้ใดก็ตามไปกีดยงกีดยางกีดไม่ทันหรือว่ามันเหนื่อยกินยาบ้าเข้าไปแล้วก็ขยันขึ้นอันนั้นหลวงพ่อเคยพูดมาแล้วบอกว่าได้เต่าเสียหมา อันคือหมาพราเนี่ยเขาไปล่าสัตว์เนะี่ยแต่พอได้เต่ามาแล้วหมาก็ถูกมันตายว่าะงั้นแต่งูเห่ากัดอะไรกัดเลไม่น่าจะไปในจุดนั้นนะแต่เราได้เต่าก็จริงอยู่แต่มันเสียหมาอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละแต่เราได้เงินมานิดหน่อยแต่เสียดูกเสียหลานเสียตัวเองติดยาบงยาบ้าเลยเสียหายเลยท่า น, นี่เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะเตือนบอกกล่าวให้แก่่แกคณาสัตยาชาวโยมทุกๆ ท, ท, ท่านนะ ที่ได้ยินเสียงสถานีวิทยุของหลวงพ่อหลวงพ่อเองมีเจตนาดีรักเมตตาพี่น้องลูกหลานทุกคนทุกทว น, นาให้มีน้ำใจแต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อเองก็ได้ช่วยชุมชนสังคมไม่ได้ปล่อยปาละเลยทั้ ง, เ ค, ง, ง, งเครื่องมือแพทย์โรงรับโรงเรียนหลวงพ่อสิ่งนี้สิ่งไหนที่จะช่วยชุมชนได้หลวงพ่อไม่ได้ปล่อยปาละเลยนะเห็นพี่น้องชุมชน ประชาชนคือเป็นอวัยวะของหลวงพ่อเหมือนกันแต่ถ้าว่าพวกเราอยู่ด้วยกันไม่มีไม่รักกันไม่มีเมตตาต่อกันไม่มีน้ำใจต่อกันหลวงพ่อว่าพวกเราจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุกไม่ได้อย่างประเทศศิลีอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวทั้งผู้ใหญ่เขา้ามาให้ความสนใจพอออกมาได้ทั้ง30สิบกว่าคนเป็นที่ปีติยินดีไปทั่วโลก ใครได้ยินก็โอ้ประเทศของเขามีน้าใจต่อกันมีเมตตาต่อกันผู้ใหญ่สุดของประเทศเขามาดูมาอำนวยการเสียสละทุกอย่างเพื่อชีวิตของคู่คนคนเขาเขารักกันขเขารักคนในชาติของเขาอย่างสุดๆเห็นแล้วหน้าปลื้มใจอยากจะให้ประเทศชาติของเราเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่าให้ขัดขัดแย้งกันอย่าให้ทะเลาะเบาแวงกัน อย่าให้สังหารซึ่งกันและกันด้วยราบรวยยศเอเพียงแต่ต้องการยศต้องการราบเท่านั้นเองก็มาฆ่ากันคนในชาติไม่อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆริคนแต่ละประเทศทั่วโลกเขาก็คงจะคิดอย่างนั้นแต่ตามจริงมาเปรียบเทียบในหลักของพระพุทธศาสนาหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อได้อ่านชาดกอ่านชาดกไว้มากนะอย่างเนี้ยอย่างประเทศชิลี อ, อย่างที่ว่านคนไปติดในหลุม หกสิบกว่าวันสองเดือนกว่าเนี่ในครั้งพุทธการก็มีนะในครั้งพระพุทธเจ้าของเราหลวงพ่อจะนําชาดกมาพูดให้แก่พวกเราฟังได้ศึกษานะอสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนาคณะสัตยาญาณโยมลูกหลานทั้งหลายในยุคสมัยนั้นเขาก็เคารพนับถือพระพุทธเจ้าผู้ออกบวชก็มีนะพอออกบวชเป็นสี่ห้าร้อยท่านก็มีพอบวดเสร็จแล้วกันนะ จับกันเป็นกลุ่มเจ็ดองก็มีสิบข้อองก็มีองค์สององก็ ม, กมีเป็นสี่ห้าร้อยก็มีออกไปทุดงกรรมฐานในป่าไปหาภาวนานในป่าเพราะประเทศอินเดียเป็นประเทศใหญ่กว้างขวางในยุคสมัยนั้นแต่มีพระเจ็ดองเท่เนี่ยกราบลาพระพุทธเจ้าไปเดินทุดงในป่าไปกราบลาพระพุทธเจ้าแล้วก็เอาออกไปเดินทุดงเข้าไปป่า เขาลําเนาไพรหาความสงบเพื่อไปภาวนาอหานั่งสมาธิมาแต่ภายบาดแบกกรดจากนั้นมาเออคิดถึงพระพุทธเจ้าอจวนจะเข้าพรรษาแล้วเนี่ยอฝนกําลังจะลงลงมาแล้วเนี่ยปะเรากลับเตะเนีเ่ยกลับไปกราบพระพุทธเจ้าที่ที่พวกเรากราบลาพ ร, ระพุทธเจ้ามาเที่ยววิเวกแล้วเนี่ยก็เลยหวนกลับวังงั้นแตะ พอกลับมาทีนี้ตามเดินทางมากับบางทีก็ฝนตกบางทีก็ฝนไม่ตกแต่หมู่บ้านนั่นน่ะติดติดเขาเหมือนน่ะก็ถามชาวบ้านก็ว่าที่พักมีที่ไหนชาวบ้านก็อึ้พระโดยมากพระเที่ยวกรรมฐ า, านมาแถ บ, บ, บนี้กันนี่ละมีถ้านี่แหละขึ้นไปพักได้ท่านพระคุณท่านพระเจ็ดองค์ก็เลยขึ้นไปพอขึ้นไปทีนี้กัไปอยู่ที่นั่นฝนตกแรงเลย พอตกแรงไปิก้อนหินมันมันสไลด์ลงมาจากเขานะ่ะมันปิดเลยอ่ะปิดปากถ้ำอะไรนะปิดปากถ้ำทีนี้ก็โอ้ออกไม่ได้เลยพวกชาวบ้านไปเห็นก็มดปัญญามันไม่มีแม็คโนไม่มีเครื่องทุ่นแรงเหมือนอย่างทุกวันนี้นะสมัยนั้นว่างานแตไปเห็นหมดไม่รู้จะเอาอยัางไงพระก็อยู่ทั้งในพราก็อยู่ทั้งในไม่รู้จะเอาอยัางไงเอน้ําก็มันดิ มันคงจะมีอยู่น้ําก็คงจะมีอยู่บ้างแต่อาหารเนี่ยสิพระจะมีอาหารได้ยังไงแต่สิรีนี่เขายังโชคดีนั่นก็ยังมีอาหารยังมีน้ํากินเขายังปล่อยออกซิเจนลงไปอีกต่างหากเพอยุคนี้สมัยนี้แต่พระเจ็ดองค์สมัยนั้นน่ยปิดอยู่ในถ้ำแต่ก็คงจะมีช่องหายใจอยูห่หรอกแต่อ า, อาหารกับน้ำเน่ยสิก็น่าคิดเหมือนกันทั้งเจ็วันเนี่ยใครจะไปตุ่น้ําไว้ไว้ขนาดนั้นน่ะ แต่เนีพอเจ็ดวันก้อนหินก้อนนั้นมันเลยสไลด์ลงไปอีกมันเลยเปิดช่องมาพระเจ็ดองค์เลยออกมาได้พอออกมาได้โอ้ตายตาย ต, าย ต, ายตายเกือบตายขาวนี้วะนั้นพอจะได้ามาอีกออท่นกันลาจะาพี่น้องชาวบ้านเข้ามาอีกพอเดินมาไฟไม่ป่าทีนี่ไฟไม่ป่ามีหญ้า มีหญ้าต้นกองหนึ่งพอมันไฟมันไหม้มันกับมันลอยขึ้นบนอากาศเนี่กอหญ้าน่ะกอหญ้าลอยขึ้นไปในอากาศกาไม่รู้จักมาจากที่ไหนทีบินอากก้าก้าวมาเอาหัวสุกเข้าไปในกอหญ้าให้มันไฟกําลังติดอยู่บนอากาศักาจนนึนกว่าไฟไหม้กาจนั้นอีกตกลงมาอีกพระสงฆ์เจ็ดลูกเอแปลกเลยเราเห็นสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นจากนั้นก็ ลงมาน้ําเต่ลงมาก็นี่แหละแต่คงจะมาทุกวันนี่ก็คงจะมาแต่หัวหินมาจันมาละยองอย่างงั้นแหละแค่เข้า่จี่เรือใหญ่ม า, แ ล, ลม า, ลมาแล้วนี้ก็ขึ้นเรือมาพอขึ้นมือเรือมาได้สามวันพอถึงสามวันเลยนี่พอสามวันพอเรือถึงกลางมหาสมุทรกลางทะเลเรือไม่ไปเลมันหมุนอยู่อย่างนั้น นายเรือเนี่ยพยายามชักใบขนาดไหนมันก็ไม่ไปชักใบชักแล้วชักอีกลมแรงมามันก็ไม่ไปคือมันหมุนเวียนนายเรือก็าบอกเออทางลักษณะอย่างนี้เนี่ยคนโบราณเขาว่าเนี่ยมันต้องมีคนการลักกินอีอยู่ในรถในเรือของเรานะเออกันนี้กับปรึกษากันเลยทีนี้เพราะมีคนมากกันหลายร้อยคนเนี่ยปรึกษากันเสร็จแล้วก็เอ้าถ้าเป็นลักษณะนี้ก่อ สักเคสเทพเจ้าเหล่าเทวางั้นน่ะสักขคเทพเจ้าเหล่าเทวาเป็นสักขีพยานถ้าว่าใครเป็นคนการลกิีดีอยู่ในเนี่ยให้จับฉลากรันทานายเขาก็เลยทําเป็นกระดาษอกี่ค น, นเห ม, ม, มือนกันจำนวมห้าร้อยคนเนี่ยเขาก็ทำห้าร้อยใบให้จับคนละใบก็เลจับตั้งแต่นายเรือ น, น, นั่นแหะงั้นเขาจับตั้งแต่นายเรือกับตันเรือนะครับจับลงไปทุกคน เนีเพราะว่าทําเป็นฉลาดเสร็จแล้วก็ใส่คันแล้วก็แจกแจกไปพอแจกไปไปถูกเมียของกับตันเลยเมียในในเรือใหญ่พอจับครั้งที่หนึ่งเออคงจะบังเอิญมั้งเอาเอกสักเทพรเจ้าเราเทวาอีกว่างั้นแหะเนีถ้าว่าเรื่องทั้งหลายทั้งปวงที่มันเหลือไม่ไปเนี่ยอยู่กับผู้ใดเป็นการลกิดีให้คนนั้นจับจับถูกใบแดงอีก เอ่อมีใบแดงอยู่ใบเดียววงั้นเถะพ่อจับไปเอกโูกอีกบักครั้งที่สองเออเขาแปลกใจอะไรตีนเอาเอกเออเอาให้จริงจังตีนเอาครั้งที่สามซะก่อนเพื่อความมั่นใจว่างั้นเถอะเออจากนั้นพอครั้งที่สามเลยมียนายเรือก็จับถูกอีกเป็นครั้งที่สามพอจับถูกครั้งที่สามเทําำยังไงทีนนายเรือก็โอ้ ถึงจะรักขนาดไหนก็ทํายังไงได้พวกคนในเรือทั้งร้อยร้อยคนน่ยก็เลยบอกสั่งเลยเอา้าถอดเครื่องประดับเขาซะอาถอดเครื่องประดับเขาซะปะโยนเขาลงทะเลว่างันในเรือพอพูดทันทีในเรือก็หันหลังเลยงี้ยแมไม่อยากจะเห็นการกระทําของของคนค น, คนทั้งหลายมัน ก, ก็กลัวตายแท้เลยเอาจับจับเขาก็ว่าเนี่ยเถแล้วเมียในเรืออีนานนงเนี่ยโอโ้โหร้หหองให้เสียงมิตรไหลร้ลองหมด กชุดเสียงเหล่านั้นทีเนี่ยทีเนี่ยเขาก็จับปลดเครื่องประดับออกถ้าเป็นอย่างหลวงพ่อนะหลวงพ่อเขคงจะให้ไม้กระดานอะไรนะของที่มันลอยลอยนะ้ำให้จับยัดใจเหลือป้ายๆก็คงจะว่านะแต่พวกนั้นก็เกิดไปเหมือนกันนะพอจากนั้นมาจับเอาเชือกมาได้แล้วก็เอากระป๋องใส่ทรายใส่หินให้มันหนักๆเหมือนกันเลยมัดคออินางเนี่ยอินางนายเรือนี่โยนลงไปในน้ําเลยเหมือนกันน่ะ เรือเอ๋ขอมันก็นหนักใช่ไหมล่ะมันก็นลากคอคนลงไปในใต้มหาสมุทรกันเลยออินาเนี่ยก็เลยตายพอโยนไปท่านนั้นเรือก็ชักใบขึ้นมาแต่เนี้ยเรี่ยวเลยเหมือนกนได้เรี่ยวข้ไปหาฝั่งอย่างที่เขาต้องการจะไปแลว้วงั่นแหะถึงฝั่งทตนี้พอฝั่งที่นี้ย พ, พระสงฆ์เหล่านั้นเกิดขึ้นไปอสิ่งที่เราเจอมาคราวนี้มีแต่เรื่องสหัดสากันเท่านั้น ถ, ถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วคงจะไม่มีใครเฉลยปัญหาให้เราได้รับทราบรับฟังได้นอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้ทที่จะเฉลยปัญหาในเรื่องที่เราเจอมาสามเรื่องเนี่ยจากนั้นพระสมฆ์พอขึ้นฟังเสร็จแล้วก็เข้าไปกราบ เ, เข้าไปพักพ อ, อหายเหนื่อยทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ตรงไหนอย่างไง จานันกัเลยเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าในช่วงบ่ายพอไปกราบพระ พ, พุทธเจ้าพระพุทองค์พระพุทธเจ้าถามว่าพวกเธอจากไหนมาพระสงฆ์เหล่านั้นก็ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ไปภาวนาอยู่ในถิ่นนั้นเขตนั้นเป็นไงสงบดีไม้มพระองค์ก็ถามไทยสารถุสุขดิบของพระสงฆ์เจดรูปพระสงฆ์เจดรูปนั่นก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าโอ้ข้าพระองค์ ไปเดินทุกองขากลับมาเนี่ยนะประสบภัยวิบัติเรียกว่าสิ่งที่ไม่ไม่พึงปรารถนาที่ข้าพระองค์ได้พบมันด้วยเหตุอันได ห, หนอะพระเจ้าค่ะไปยังไงก็เลยเล่าเล่ากราบทูลบพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตัวเองเจ็ดองค์อยู่ในถ้ำแล้วก็เห็นกาไฟไหมกาแล้วก็เห็นพัญญาของนายสเผางันพระพุทธองค์บอกว่ากล่ำกล่ำในอดีต อดีตกรรมของสิ่งทั้งทั้งสามอย่างมีที่ไปที่มาอดีตกรรมของอดีตกรรมของเขาคือคือเขาทํากรรมไว้ในอดีตเขาจึงได้พบอย่างนี้พระสงฆ์เหล่านั้นพระสงฆ์ทั้งหลายองค์ที่นั่งฟังกราบทูลพระพุทธเจ้าว่ากรรมอันไหนหนอพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าบอกว่านี่น่ะพระสงฆ์เจ็ดรูปเนี่ยสกอเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นชาวบ้านนอกเลี้ยงวัว เลี้ยงวัวฝูงเหมือนกันเถะคือมีคนนั่นกันมวีวัวยี่สิบตัวสามสิบตัวนั้นแต่ขนาดน่ะเจ็ดคนก็เลยรวมกันแล้วก็ไปเลี้ยงวันนี้ไปเลี้ยงทางตะวันออกเพราะมันมีมันมีไอ้ฉนามหญ้าเป็นลานหญ้าเรือว่าเป็นปา่าหญ้าที่เลี้ยงวัวทางทิศตะวันออกเจ็ดวันพอเจ็ดวันวัวมันกินหมดหญ้าหมดแล้วเอาไปทิศตะวันตกให้วัวไปกินทางทิศตะวันตกอีกเจ็ดวัน อแล้วก็พอเจ็ดวันหยาทางนี้มันงอกเกยขึ้นมาแล้วเอากลับม า, มามากินใหญ่ให้เข้าว่าเจ็ดวันในหมู่บ้านของเขาแต่ทีนี้พอวันหนึ่งออมาเลี้ยงบัวทางทิศตะวันออกวันนั้นเป็นวันสุดท้ายแล้วแต่เนี่ยอพอไปพอกําลังจะเลี้ยงวัวเด็กถลายไปเห็นไปเห็นตะกวดตะกวดคือคล้ายๆกับเหี้ยน่นะ อ, อตัวเงินตัวทองน่ะ แต่ภาษาพวกเราคงจะรู้จักกันดีว่าแลนแน์นอ่แลนน์แลตะกวดนี่มันวิ่งเข้าจอมปวกออมันไม่มีที่ไปมันก็วิ่งเข้าจอมปวกตะกวดแลนด์พอวิ่งเข้าจอมปวกเด็กเจ็ดคนนี่ก็กลมกันไปหาใบไม้ทำเป็นฟ่อนแล้วก็เป็นอล้ก็อดรูอะไรงั้นเออะดรูอดลูตะกวดตัวนั้นอ่ะก็หาอีกมันจะออกทางไหนอีก ทุกทุกหลุอุดหมดเหมือนกันอะไม่ให้ตะกวดออกมาได้วันพุ่งนี้แหละพวกเราจะมาแล้วก็ขุดพอขุดเสร็จแล้วแล้วก็มาย่างเนื้อตะกวดกินละวะเหมือนกันเจ็ดคนนะจากนั้นกรับพอวันลุกขึ้นเลยมันถึงกําหนดเลยไปทางที่ตะวันตกเลยไล่หัวไปทางทิศตะวันตกอกลืมลืมตะกวดที่ปิดเอาไวนะ้เนี่ยไปเลี้ยงหัวถึงเจ็ดวันมา พอเจ็ดวันเสร็จแล้วก็กลับมาทางทิศตะวันออกอพอมาถึงทิศตะวันออกมาแล้วลึกหน่อยโอ้ตายพวกเราไปอัดรูตะกวดไว้น่ะไปไปคุดเอามากินเหมือนกันเป็นอาหารเที่ยงเคราแต่พอไปเปิดไปเปิดรูงหมอนเดีตะกวดตอนนั้นมันอยู่ในในรูทั้งเจ็ดวันฮงมันไม่ได้กินอาหารมันไม่ได้กินน้ํามันหมดอะไรตายอยากในชีวิตของมันเหมือนกันเนี่มันหมดอะไรเนกัตายเป็นตายมันโกงเยาว่าอย่างนั้นเพราะมันหิวมาก มันเลยคลานออกมาเลยเหมอนเถอคลานออกมาพอคลานออกมาพวกเด็กเด็กเจ็ดคนเห็นโ อ, โอ้ดูดูแล้วอ้จะไปฆ่ามันเถอะจะไปฆ่ามันเถอะเออให้เขาว่ามันหิวคงจะหิวมากแน่นเหมือนกเด็กหมูนั้นก็เลยไม่ฆ่ามันเหมือนกันเถอปล่อยมันไปเอตะกวดเท่านั้นก็เลยไปอนี่แหละถ้าหาว่าเด็กหมูนั้นฆ่ามันนะเอแปลว่าพระทั้งเจ็ดองค์เนี่ยคงจะถูกฆ่าเหมือนกันแต่นี่พราะไม่ฆ่าปล่อยออกมา แผ่นดินที่ปิดถ้ำเลยมันสไลด์ออกมาอนกันเลอนี่แหล ะ, ะพวกท่านทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายทั้งเจ็ดองค์เนี่ยนะเคยได้ปิดรูตะกวดเอาไว้นัะะ่นแะบาปกรรมอันนั้นล่ละพวกท่านได้ใช้อเพราะนั้นพวกท่านอย่าทำอีกต่อไปเพราะนั้นพวกเราที่นั่งฟังหลวงพ่อได้ยินเสียงหลวงพ่อนี่ใครไปปิดรูตะกวดไปปิดรูหนูไปปิดรูตุ๊กแกไว้คิดๆ ด, ดูกันแล้วกันนะอ่าอ่ บางที่บาปกรรมท่านนั้นมันตามสนองได้ไง่ายๆเหมือนกันนะทตนี้พระสงฆ์เลยกราบทูลถามว่าแล้วกาตัวนั้นแหละพระเจ้าค่ะที่มันบินในอากาศได้ย่าไปอยู่ในซอกคอเข้ามาันไม่กาทั้งตัวเลยตกลงมาตายไหพระพุทธองค์บอกว่ากาตัวนั้นนะสมัยก่อนอกาตัวนั้นเป็น ช, ชาวนา เ, เป็นชาวนาแลแ้วทนนี้ตามปกติอีกหนึ่งชาวนาเขาจะต้องฝึกวัว วัวลอวัวเวียนของเขาตอนนี้มีวัวตัวหนึ่งสินะเป็นวัววัวถึกวัวตัวผู้ว่างั้นเถอะอ่แต่มันกระลาสันะแต่ไปฝึกเท่าไหร่มันก็ไม่ไปพอฝึกเท่าน้ำกันนอนดึงก็ไม่ตีขึ้นไม่ขึ้นดึงลากก็ไม่ขึ้นเออมันนอนลูกเดี๋ยวว่างั้นเถะไอ้ยไอจบของวัวเนอะมึงให้มึงนอนอยู่นี่ว่างั้นจากนั้นมาก็เลยขนฟางเยอะๆมาเลยว่างั้นอะขนฟางมาแล้วก็ มาโปะ๊ะโ ป, ะโปะ๊ใส่วัวงั้นแต่แต่ก็มัดเชือกไว้อีกต่างหากจากนั้นก็จุดฟางจะเนี่ยพอจุดฟางไอ้เจ้าวัวมันก็คิดว่าเจ้าของทําเล่นใช่ไหมว่าจุดธรรมดามเคยจุดมาแล้วมันไม่ไปบัดนี้มันเอาจริงในเลยทนีนี้โปะใส่จนล้อมตัวจุดให้มากมากเลยพอจุดเท่านั้นแหละวัวก็นอนเฉยอยู่ที่แหลกมันพอร้อนเข้าร้อนเข้าทษไม่ไหวโคอยลุกขโมงสงเสงออกไปที่ไหนได้ หนังหลุดแล้วผลที่สุดวัวตัวนั้นก็เลยตายเหมือนกันนะตายในกองไฟนั่นน่ะนี่แหละกาตัว น, นั้นแ่ะใช้กรรมมาแล้วไม่รู้กี่ภพกี่ชาติกองไฟมันอยู่ที่ไหนมันก็เลยเอาคอไปสวมเข้าไปในกองไฟนั้นตายใช้ชาติไปแล้วใช้กรรมของตนเองไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วแต่ในพระเหล่านั้นก็บอกว่าพวกก้าวขบผมเดินนั่งเรือมา อ่าแกเป็นน่าส ด, ดสังเวทใจมีนายเรือมีอนายกับตันเนี่ยเขาโยนลงน้ำมาหาสมุทรมันเป็นด้วยเพราะเหตุในหนอพระเจ้าค่าพาะพระพุทธองค์บอกว่าอดีตชาติของเขาเนะ่มีนายเรือเนี่ยแต่งงานอยู่กินด้วยกันกันกบสามีเออแล้วต่อมาสามีตายสามีตายพอตายแล้วสามีก็เป็นห่วงพันยาของตนเอง อยพัญญาขอ ง, ข, อองอ ข, าาข้าจะอยู่อย่างไรเนาะข้าตายไปแล้วเนี่ยข้าจะอยู่อย่างค่าเป็นห่วงนะก่อนตายเนี่ยพอห่วงทีนี้พอตายใจขาดไปมาเกิดเป็นหมาเนี่ยมาเกิดเป็นหมาในบ้านของพัญญาเนี่ยพอเกิดขึ้นมาแล้วอโอ้โหเห็นเจ้านายเห็นพัญญาเน่ ย, ยังรักเหมือนเก่าแต่คนมันไม่รักหมาได้ยมันเป็นหมาเลยจะไปะไ ร, ไรักได้ยังไงไม่ใช่คนเลย ทีไ่ได้หมาตอนนั้นไปที่ไหนนี่พอเจ้านายจะกระดิกไปที่ไหนหมาวิ่งตามเลยวะนเ่นแหละไปไล่ไปนาไปรั้วไปสวนไปเออไปที่ไหนไหนหมาตอนนั้นติดตามตลอดที่ไ้คนทั้งหลายเขากบเ อ, อคนมันปากยาวอยู่แล้วมันปากหมาอยู่แล้วงั้นแตอมันปากไม่อยู่เป็นสุกอยู่แล้วเนะี่ยก็บอกเอ้ยอีนางนี่เห็นไหมนะเนออี่ยผัวมันตายมันเอาหมาเป็นผัวได้เห็นไหมเนะี่ย มันเอาหมามาเป็นผัวมันเองเนี่ยเห็นไหมหมาตัวนี้ติดตามมันตลอดเนี่ยถ้าหาว่ามันไม่เอาเป็นผัวหมาตัวนี้มันจะอยู่ติดตามขนาดนี้เหรอนคนทั้งหลายก็พูดขึ้นมาเถพูดขึ้นมาไอ้ยายอีนางนี่กับอายอายชาวบ้านเขามันจงต้องฆ่าหมาตัวนี้ซะก่อนนะจึงจะจบปะงั้นจากนั้นวันนั้นก็เลยตัดสินใจอะยว่างั้นเถอะตัดสินใจมาก็เรียกหมาต น, นมา เรียกหมาแต่นะหมากดีใจประางนั้นเถอเะแล้วพอเห็นอะไตะกอดมามีแต่หน้าห ง, งิกหน้า ง, งอใส่หมามันกันเถะมีแต่จเจ้าค้อนทุบค้อนตีหมามันกันเถอะไม่ให้มันไปด้วยแต่วันนั้นเนี่ยกับแสดงอากับกิริยาแบบรักหมามันกันเ่ะหมานี่ก็แกว้งหางเข้ามาอลไวประมาณั้นเถอตีอกดีใจมาหาเจ้าของเจ้าของก็อุ้มแล้ยพออุ้มเสร็จแล้วก็ไปไปถึงฝั่งแม่น้ําพอฝั่งแม่น้ำแบบนี่แล้วเอา ขี้ใสใสใส่กระป๋องนะเอาหินเอาทรายใส่กระป๋องจากนั้นก็มัดคอหมาให้มันสั้นๆกับติดกับกระป๋องใช่าหมครับเดินเดิ น, เ ด, นเดินลงไปพอเดินลงไปก็โยนกระป๋องตอนนั้นลงไปท่านหมาตอนนั้นก็เลยหวดจุอยู่กับกระป๋องนั้นนะหายแกไม่ออกได้หมาจมจมน้ําใช่ไหมหมาตอนนั้นก็เลยตาย น, นี่นแหละเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ย อดีตกรรมของเขาเนี่ยผู้หญิงคนเนี้บาปกรรมเขาใช้มากรรมมาแล้วไม่รู้กี่พบกี่ชาตินี่แหละมาชาติให้เขายังได้ใช้อีกอยู่เพราะนั้นสิ่งที่ไม่ดีอย่าทำถ้าทำแล้วมันติดพบติดชาติพระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นพมบรีวะอัคตังลุกตังเสยโยกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าประเทศเตปติทุกตัง กรรมชั่วจะทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมให้โทษเมื่อภายหลังอ่าอกตังดุกตังเสโยปัชชาตปฏิดุกตังกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมให้โทษเป็นทุกข์เดือดร้อนตนเองเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะกรรมกรรมชั่วน่ยอย่าทำเพราะตายแล้วไม่สูญนะอเพราะพระพุทธเจ้าท่านรู้ที่ไปที่มา ที่ว่าจุตูตปปาตยานการจุดติและการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะพระพุทธเจ้าท่านรู้ที่ไปที่มาเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกให้ภิกษุสง์เหล่านั้นว่านี่แหละที่พวกท่านทั้งหลายเห็นนั่นอ่ะมันเป็นบาปกรรมอย่างนี้ของแต่ละคนแต่พวกท่านได้เห็นเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าทํากรรมชั่วเนะ้ถ้ากรรมชั่วใครทําเข้าไปแล้วกรรมชั่วนะ่าจะตามสนองมันไม่จบอยู่เพียงแค่นี้นะ นี่แหละขอให้พวกเราเน่ตอนนี้ประเทศเิลีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดยกขึ้นมานะเนี่ยเขาไปอยู่ตั้งเดือนกว่าสองเดือนกว่าเขาคงจะทุกข์ขนาดไหนขณะที่อยู่ในในที่มืดขนาดนั้นนี่แหละเขาคงจะใช้กล้ำของเขาแต่ถึงอย่างไงเขาก็พ้นกลำ้ำการกระทำของเขาออกมาได้ก็นับว่าแสดงความยินดีกับเข า, เ, าเพราะนั้นพวกเราทุกคนนะ ในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่ให้ทํากรรมชั่วถ้าทํากรรมแล้วเราจะได้ใช้เสวยผลแห่งกรรมที่ตนได้กระทําถ้าว่าพวกเราทํากรรมดีสร้างบุญสร้างคุศสวนเข้าสู่จิตใจสงเคราะห์อนุเคราะห์เพื่อนมนุษย์ชาติดูแลปิดามารดาดูแลพ่อแม่ของตนเองบุตรภรรยาสามีมีแต่ความอบอุ่นอยู่ด้วยกันเกิดภพหน้าชาติหน้าก็จะได้เจอกันอีก แลาพว่าพวกเรามีการทะเลาะเบาแว้งกันไม่เข้าใจกันนั่นะเกิดพบหน้าชาติหน้ากัเกิดมาแล้วกถกเถียงกันอีกอย่างเก่านั่นะเพราะว่านั้นพวกเราอะไปทำให้มีขันติให้มีความอดทนในจิตในใจคนเราเนี่ยจะมีแต่ใช้ขันแตกอย่างเดียวก็ไม่ได้นะต้องใช้ขันติคือความอดทนให้อดกลั้นให้มองเหตุและผลอย่าไปใช้แต่อารมณ์ โมโหโทโศโกโรธาใส่กันมันจะหาความสงบ พ, พรมเย็นเป็นจุกไม่ได้แต่พวกเรามีน้ําจิตน้ําใจต่อกันมีเมตตาต่อกันพึ่งพาอาศัยกันเออรักกันเอาไว้มีเมตตาต่อกันพึ่งพาอาศัยกันเมื่อพิรัสตกทุกข์ได้ยากนี่แหละเราต้องคิดไกลๆอย่าไปคิดใกล้ถ้าคิดใกลไไ้ไม่ได้ละไม่ได้อย่างใจข้าวเปเจ้าครับ อ, ออะไรมีอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหโกรธาขึ้นมาพอแตกสามัคคีกันแล้ว มันยากันยากนะเหมือนกับหม้อแตกอย่างนั้นนะอทำหม้อแตกมันยายากทารักษาไว้ไม่ให้มันแตกนะดีที่สุดนะอถ้ามันแตกแลยายากยาก็ไม่เหมือนเก่าอันนี้ก็เหมือ น, น, inside, นกั eyed, iv, นน่ะพวกเราอยู่ด้วยการพ่อแม่ลูกหลานอยู่ด้วยกันท่าว่าแตกสามัคคีกันแล้วหาความสงบเป็นสุข <söyleye> ไ <ways. S 1> ม่ได้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็เหมือนกันแตกแยกสามัคคีกันแล้วหาความสงบผาสุขไม่ได้น่ะร่างกายของเราก็เหมือนกัน ร่างกายของเราหัวจดเทานะ้าเนี่ยตั้งศีสัดจบดเทานะ้าเนี่ยถ้าว่าจุดใด จ, จุดหนึ่งแตกสมคคกีแตกตาตาแตกสมคักีหูแตกสมมคกีคือปวดหูเนะ่ปวดตาปวดหัวปวดปวดจมูกปวดลิ้นน่ปวดผิวหนังปวดนิ้วเท้า like, อย่างเนี้ยแปลว่าแต่ละอันน่ยมันแตกสมมคนะีเราตัวของเรามีความสุขไหมถ้ามันแตกสมมัคีมันหาความสุขไม่ได้ แต่ถ้าว่าร่างกายของเราทุกส่วนของร่างกายมีความพร้อมเพียงสมัคคีเราจะเดินเหินไปที่ไหนก็สะดวกสบายทั้งนั้นเพราะเหตุใดเพราะร่างกายของเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่แหละคือความสมัคคีเนี่เกิดสุขนะถ้าว่าแตกสมัคคีกันแล้วมีแต่ความทุกมีแต่ความหายยะนะนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกลูกหลานทุกคนนะแล้วก็พร้อมกันอย่าลืมศีลธรรมถึงพวกเราจะรับผิดชอบขนาดไหนก็เถอะนะ อีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องทิ้งทั้งหมดฮ่า อ, อย่างที่หลวงพ่อเคยเล่าเคยบอกกล่าวไล่บอกกล่าวอีกหลวงพ่อถึงจะรับผิดชอบในวัดวาศาสานาวัดหลวงพ่อก็เถอะศรัทธาญาติโยมถึงจะมาเกี่ยวข้องมากมายขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งหลวงพ่อก็จะต้องทิ้งทั้งหมดเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างกระดูกหลวงพ่อเองกระดูกก็จ้องได้ทิ้งในเมนในที่เผาศพนั่นแหละฮ่าพราะนั้น เอาแต่คุณงามความดีเท่านั้นะติดจิตติดใจติดนมามมาทำไปด้วยเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกท่านอน่ีเมื่อได้ยินคํานี้ออกมาอย่าไปคิดว่าหลวงพ่อเอาความตายมาขู่กันอมายกมาประเด็นแล้วก็มาให้พวกเราให้ท้ออกท้อใจให้จิตใจของเราห่อเหี่ยวไม่ใช่นะอะคนรักกันจึงบอกกล่าวกันให้บอกกันว่านะ่ะคือมหันตภัยอันร้ายแรงพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาท ให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้นะถ้าบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเราเต็มเปี่ยมแล้วพวกเราไม่ต้องกลัวตายตายเวลาไหนก็ไปเถอะออกจากภพนชาตินี้พระพุทธเจ้าท่านว่าถ้าคนได้สั่งสมคุณงามความดีไปแล้วทิ้งภาชนะดินไปเอาภาชนะทองคำเพราะเหตุใดเพราะว่าเราเกิดภพนี้ชาตินี้เราอาจจะไม่ได้ เสร็จสวยงดงามไม่ได้มั่งมีสีสุขไม่ได้ยศถาบรรดาสุขสงบรรดาศักดิ์สูงสง่งแต่ถ้าว่าเราทักษังสมคุณงามพร้อมดีเต็มบริบูรณ์ดีแล้วออกจากชาตินี้ไปนั่นเราจะมีแต่ความสุขความร่มเย็นเป็นสุขไปเกิดสวรรค์ชั้นพรมไหนก็ไปไ ด, ได้เพราะเหตุใดเพราะเรามีบุญถ้าคนมีบาปแล้วไปอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อให้หลวงพ่อได้กล่าวสมัมโภตธนิยคาถา แอบแก่คณะัาติญาติโยมผู้ได้ยินได้ฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนของหลวงพ่อเนี่ยขอให้พวกเราทุกท่านนําไปคิดนําไปพิจารณาไรตรตรองเหตุและผลกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นจะให้พวกเราทุกยากลําบากเมื่อภายหลังอหลวงพ่อเตือนว่าเนะี่ยพวกเราอยู่ด้วยกันให้มีน้ําใจสิ่งไหน ที่จะทำให้คนอื่นทุกยากลำบากเราอย่าไปทำถ้าทำเข้าไปแล้วทามาเจอกับเราเรามีความรู้สึกอย่างไรถ้าไปเจอกับคนอื่นเขาเขาก็มีความทุกข์นะเพราะนั้นผอให้พวกเรานึกถึงใจเขาใจเรานะถ้าพวกเรานึกได้อย่งนั้นแล้วพวกเราอยู่ด้วยกันมากขนาดไหนก็ร่มเย็นเป็นจุกท่วนหน้ากันวันนี้ลหลวงพ่อได้แ น, แนวใหแ้แนวความคิดแก่พวกเราท่านทั้งหลายดยินด ได้ยินได้ฟังเห็นว่าสมควรกับการเวลาขอจิติในการพูดต่อในไปคณะสงฆ์จากอนุโมทนาให้พรเพื่อเป็นชลิเพื่อเป็นมงคลของพวกเราต่อไป